อ่ะนะเมื่อวานก็กล่าวถึงกรรมที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้รับสติปัญญากรรมที่ทำให้พระองค์มีสติปัญญาก็คือกรรมประเภทที่มาจากอะไรเข้าไปไต่ถามสมณะหรือพรามนะเข้าไปซักถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนเป็นอกุศลอย่างไรกรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไร กรรมที่บุคคลควรเสพเป็นอย่างไรกรรมที่บุคคลไม่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานก็เข้าไปถาแล้วว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรทั้นอันนี้สงอันนั้นนะก็ทําให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เจริญด้วย ทีเรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าเราเทพหมู่เหล่าอื่นด้วยสิบอย่างว่างั้นเถอะก้าวล่วงเทพด้วยทิพสิบอย่างคือหนึ่งหนึ่งนะรูปไม่ใช่สุขอายุวันณนะสุขพะพละนะสุขที่เป็นทิพ ป, ปฏิพัณธ์ที่เป็นทิพวงนี้และรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเป็นต้นที่เป็นทิพนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี้เป็นผลของการเข้าไปซักถามส ม, มณพรรมเป็นต้นพอมาเกิดเป็น มนุษย์ก็ได้มหาปุริษลักษณะคือมีผิวละเอียดนะเพราะผิวละเอียดทุลีละอองมิดมไม่ติดพระวรากายเลยพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครไปเปื้อนอะไรทั้งนั้นแหละแต่พระ อ, องค์ก็ยังล้างเท้าพระ อ, องค์ก็ส่งน้ำก็บอกว่าส่งน้ำหนึ่งเป็นประเพณีของโลกสองคนที่เขาทำบุญเขาจะได้บุญและอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อเอาอุตุนะ กายวิญญาณ น, นั้นเป็นปกตูปะนิสยะปัจจัยแกชาวณะด้วยที่ที่สําคัญมากนะกายวิญญาณเนี่ยความสําคัญของกายวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อต่อชาวนะจิตก็คิดดูนะอาบน้ํากับไม่อาบน้ำแตกต่างกันไหมสภาพจิตเราต่างกันเยอะนะนั่นแหละนันมีมีเป็นปัจจัยที่สําคัญมากถึงผิวถึงฝุ่นละอองไม่ติดก็จริงแต่พระองค์ก็ส่งน้ํอาอะไรอยู่นั่นแหละนี่นะคือ ถ้ามหาปริศลักษณะซึ่งได้จากผลของกรรมอันนี้ถ้าหากว่าผู้ที่มีมหาปริศลักษณะอันนี้ถ้าครองเรือนจะได้ผลคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้รับผลพิเศษคือมีปัญญา ม, มากกว่ากามะโพคีบุคคลคนมีผิวพรรณดีฉลาดเทราะกันนี่นตามตำรานี่นะผิวพรร์ละเอียดเนี่ยน ะ, ะมีปัญญา ม, มากมีปัญญา ม, มากกว่า คนที่บริโภคกามด้วยกันถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีกิเลสนะกิเลสเนี่ยเปิดออกแล้วถามว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลพิเศษอะไรขึ้นบ้างได้รับอนิสงส์อะไรบ้างจากจากการสะสมกรรมประเภทนั้นก็จะทําให้พระองค์เนี่ยมีมหาปัญญาหนึ่งนะภูริปัญญามีปัญญามากปัญญากว้างขวาง แล้วก็มีอะไรอีกมีปัญญาร่าเริงนะเมื่อวานบอกว่าปุถุปัญญาใช่ไหมพระองค์มีปุถุปแปลว่าหนาปุถุชนไงพระองค์มีปัญญาหนามากคิดในขันธ์ธาตุอายตนะอย่างนั้นหนาเนี่ยแทงตลอดได้อะแล้วก็มีภาษาปัญญาปัญญารื่นเริงเอาวันนี้มาขึ้นชาวนะปัญญาดูปัญญาไวชาวนะแปลว่าแหลนหรือแปลว่าไวหรือเร็วมากางั้นเถอะชาวนะนี้แปลว่าแหลนหรือเร็ว ชาวนะปัญญาเป็นฉไนชาวนะปัญญาคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีในภายในมีภายนอกอย่าละเอียดเลวหรือประณีตรูปใดอยู่ไกลหรือใกล้รูปนั้นทั้งหมดย่อมแล่นไปโดยเร็วนะแล่นไปยังไงปัญญานี้แล่นเข้าไปในรูปทั้งสิบอดกองเนี่ยแล่นไปยังไงแล่นไปโดย ความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาปัญญาที่เล่นเข้าไปในรูปนะะชั้นต้นก่อนรูปรูปคืออะไรภูตรูปกับอุปาทายรูปภูตรูปมีสมุิฐานเท่าไหร่มีสอย่างนะกรมจิตอุตุและอาหารในภูตรูปและอุปาทายรูปนั้นยังต่างประเภทออกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายใน ภายนอกนะหยาบละเอียดเลวประณีดใกล้ไกลนะเสร็จแล้วพิจารณาเล่นไปทั้งหมดว่ารูปทั้งหมดเหล่านั้นนั่นแหละไม่เที่ยงปัญญาเข้าไปเล่นโดยความไม่เที่ยงทีนี้ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นอย่างไรนะเขาบอกว่าคำว่าไม่เที่ยงนี้ก็บอกว่ารูปมีแล้วก็ไม่มีฉะนั้นจึงเชื่อว่าไม่เที่ยงนะ จากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นก่อนแล้วก็หมดไปเพราะไม่มีมาก่อนมามีขึ้นเกิดขึ้นด้วยความประชุมของปัจจัยแล้วกลับไม่มีใช่ไมเส้นผมของเราที่มีขึ้นเพราะประชุมพร้อมของกรรมจิตอุตุและอาหารผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นก็เหมือนกันเพราะความประชุมพร้อมของกรรมจิตอุตุและอาหารรูปประคันเหล่านี้จึงเกิดขึ้นนะ รูปประคันเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนการภายในภายนอกก็เหมือนกันเพราะการประชุมของปัจจัยจึงมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปปัญญาเล่นเข้าถึงความมีแล้วไม่มีอ่ะอันนี้เราเรียกว่าปัญญาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงคนมีปัญญาเล่นในขณะนี้เรียกมีปัญญาไว้นะมีปัญญาว่องไวชาวนะปัญญา หรือว่าด้วยการเข้าถึงความแตกดับฉะนั้นจึงไม่เที่ยงด้วยเหตุนั้นอ น, นิจจะแปลว่าไม่เที่ยงอธิบายว่าไม่ยั่งยืนอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอ น, นิจจังด้วยเหตุสี่ประการนะเอาจากข้อความในดีกาอนัตตลักษณะสูตรมาอธิบายคําว่าอ น, นิจจังนะ อ, อ น, นิจจังอีกอย่างหนึ่งก็บอกด้วยเหตุ4ประการเพราะมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นที่สุด นะนะคาว่าอันนี้จังนะสความเป็นของชั่วคราว 3. ม, มีความแปรปรวนเป็นที่สุด 4. ค้านต่อความเที่ยงนะที่เชื่อว่าความที่รูปมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นที่สุดเพราะเป็นไปด้วยอำนาจความเกิดขึ้นและด้วยอำนาจความดับไปทุกๆขณะนะในตัวเขาเองก็ยังมีอุปาทิฏฐิพังคะด้วยในชั้นละเอียดที่สุดเลยในชั้นที่ เริ่มขยายเข้ามาอีกก็เป็นไปตามสมุธฐานนั้นๆใช่ไหมเรูปที่มีจิตเป็นสมุธฐานก็อยู่เท่ากับจิตที่เป็นสมุธฐานอุตุเป็นสมุธฐานก็อยู่เท่ากับอุตุที่เป็นสมุธฐานอาหารที่เป็นสมุธฐานก็อยู่ในระดับที่อาหารเป็นสมุธฐานกรรมเป็นสมุธฐานก็จะอยู่ในระดับกรรมว่ากรรมอันนั้นเนี่ยจะสามารถให้อยู่ได้กี่ขวบกรรมนั้นจะทําให้อยู่ได้กี่ปีอ่าแล้วแต่ใครเนอะเราถามไม่ได้ว่าใคร เพราะบางคนนี่อยู่ได้หนึ่งปีสองปีสามปีก็จุติละบางคนนี่อยู่ได้ยาวมากเลยแสดงว่าเรื่องสันตติเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอัต า, าเข้ามาเกี่ยวข้องเจนพานใช่พันธ์มีความเกิดขึ้นและความดับไปทุกๆขณะนั่นแหละแล้วต่อไปอีกเชื่อว่ามีความเป็นของชั่วคราวเพราะเป็นของมีอยู่ในขณะนั้นเท่นานั้นขณะนั้นน่ะนะ เรามองอย่งนี้ว่าขณะที่เป็นอยู่เนี่ยนะห้าหกสิบปีเจ็สิบปีหรือกี่ปีก็ตามเถอะมันก็แค่ขณะนี้ระยะสั้นๆเองเดี๋ยวก็หมดไปละแต่ชื่อว่าเห็นการเกิดดับของขณะก็เท่ากับว่าเห็นการเกิดดับของสันตติเจิญพรใช่ถ้าเห็นสันตติก็เห็นขณะด้วยแน่นอนถ้าเห็นสันตติก็เท่ากับเห็นขณะด้วยใช่ไหมคะเธอสามารถที่จะเห็นขณะได้ด้วยเจิญพร แล้วอีกอย่างหนึ่งต่อไปนะเพราะค้านต่อความเที่ยงที่ที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยที่เชื่อว่ามีความแปรปรวนเป็นที่ ส, ทสุดเพราะมีความเป็นของแปรปรวนจริงอยู่รูปเมื่อแปรปรวนไปด้วยถึงความมีความเกิดขึ้นเป็นต้นย่อมถึงความที่น่าไปและก็แปรไปเรื่อยๆนั่นแหละ 4. ชื่อว่ามีสภาพที่ไม่เที่ยงนั้นชื่อว่าปฏิเสธต่อความเที่ยงจริงอยู่สิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยง เชื่อว่าย่อมปฏิเสธเป็นสภาพเที่ยงโดยอัฏฐะเพราะความที่ตนนั้นเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงนั่นแลละอันคนที่มีปัญญาไว้ก็สามารถที่จะเล่เลนไปในภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอดีตก็ไม่เที่ยงอนาคตก็ไม่เที่ยงปัจจุบันก็ไม่เที่ยงเขาบอกว่ามีวิธีการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะรูปในพบอดีตก็ไม่ถึงพบนี้เพราะฉะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกแปรณตตามหมดไปแล้วในพบที่แล้ว รูปที่มีในภพหน้าถ้าจะมีต่อไปอีกนะก็ไม่ถึงภพต่อต่อไปอีกก็มีอยู่ในภพนั้นแล้วก็หมดในภพนั้นรูปที่มีอยู่ในภพนี้ก็ไม่ถึงภพหน้าต่อไปอการพิจารณาแบบนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมะสนญาณประการหนึ่งเหมือนกันนะแต่แต่ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์นั้นมมกรรมสักกาต้องดีนะเพราะว่าการพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์ก็คือปริญญาข้อไหนข้อไหน ข้อสองถามข้อตอบข้อคืออะไรแต่ตอบอีกยาวอีกนิดนึ่งตีรณ ะ, รณะปริญญามันต้องได้ยาตะคือมีความมั่นคงในเรื่องของยาตะพอสมควรเลยนะยาตะก็คือยาตะชั้นสูงหน่อยก็คือเรื่องของปัจจัยนะและเรื่องของลักษณะรูปมีลักษณะอย่างไรนะรูปเพราะมีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยมีความเย็นความร้อนความหนาว สัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดความหิวความกระหายเป็นต้นนี้ก็เป็นวิโรธที่ปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นปฏิปปต่อรูปทั้งหลายเหล่านั้นอ่า น, นแล้วก็ที่เจารารูปทั้งหมดที่ว่าไปเนี่ยโดยความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์ก็หมายความว่าบเบียดเบียนจริงอยู่ทุกข์เนี่ยเบียดเบียนเป็นนิรันดรแก่รูปนะไม่ใช่เบียดเบียนธรรมนานะเบียดเบียนนิรันดรด้วย เบียดเบียนด้วยอำนาจความเกิดความแก่และความแตกหนักเพราะฉะนั้นความที่รูปนั้นเป็นทุกข์ก็โดยอาการที่เบียดเบียนหรืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเบียดเบียนด้วยเหตุสี่อย่างนะเป็นทุกข์ด้วยเหตุสี่อย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นความเร่าร้อนสองเพราะว่าทนได้ยากสามเพราะอว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สี่ด้วยอัตถว่าปฏิเสธความสุข ที่ชื่อว่าเร่าร้อนก็ได้แก่ความแผดเผาคือความร้อนรนด้วยออำนาจความเป็นทุกข์แท้ๆเป็นต้นนะนะเพราะรูปเป็นที่อาศัยเกิดของทุกขะใช่ไหมรูปเป็นที่อาศัยเกิดของทุกขะกายญาวิญ ญ, ญาณถ้าไม่มีรูปพระอย่างหนึ่งทุกขะกายญาวิญ ญ, ญาณเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะอาศัยจกักขู่ว่าทุออาศัยกายญาปสาทารูปนั่นแหละทุกขะกายญวิญญาณจึงเกิดถ้าไม่มีกายะวิญ ญ, ญาณจะไม่แสบตาเลย ไม่มีกายยะวิญญาณจะไม่เจ็บหูเลยถ้าไม่มีกายยะวิญญาณไม่ปวดฟันด้วยแต่นี้มีกายยะวิญญาณเลยปวดเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงเล่าร้อนเขางกันเพราะมันเป็นไปด้วยอำนาจทุกข์ทุกขเป็นต้นและอีกอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นทุกข์ทุกนั่นแหละมันจึงทนได้ยากเลยไม่สนุกเลยสามที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสามอย่างนะทุกขกับทุก วิปริณามทุกสังขาระทุกและเป็นสังขารทุกด้วยทุกข์ พ, พมที่ยงด้วยและก็ไม่มีสภาพที่เป็นสุขนั่นเองชื่อว่าปฏิสการปฏิเสธความสุขไม่มีความสุขอยู่ในตัวของรูปแต่มีอัสสาทะนะนะรูปนี้ตัวของรูปไม่มีความสุขหรอกแต่รูปเป็นที่เป็นที่อาศัยให้เกิดอัศทะได้แต่รูปนั้นเป็นที่อาศัยให้เกิดความ ยินดีความพอใจความเพลิดเพลินนั้นสภาพจิตที่เป็นไปกับด้วยอำนาจแห่งความยินดีความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นอั ส, สาธะหรือํำนวนไทยๆแปลว่าคุณของรูปนะเขาบอกว่ารูปก็มีคุณรูปก็มีโทษรูปก็มีอุบายเป็นเครื่องสลัดออกอคุณของรูปนะข้อความในมาหาทุกขคันทสูตรในมัชิมนิกาย มหาทุกขคันท่สูตรพระองค์ก็ถามว่าอะไรเป็นอสสาธ่าของรูปนะอสสาธ่ของรูปเป็นยังไงอย่างรูปกันนึกออกัอ้มอสสาธ่าของรูปเลฮะเจริญพรอสสาท่ของรูปอสสาธ่ของรูปก็ทํสสาให้เราติดในรูปเขาบอกว่าเพิ่งเห็นอสสาธ่ของรูปออยากขอยกตัวอย่างว่าเหมือนกับบุตรสาวของกรรษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาล <ๆ S 1> ผู้มีวัยประมาณสิบห้าสิบหกนะ ผิวพรรณเปล่งปลั่งเป็นต้นน่ะนะความงดงามนั่นแหละอสาทะของรูอะนั่นแหลอะอาโทษของรูปเป็นยังไงกะบอกเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแหละโดยล่วงการผ่านไปไวได้แปดสิบเกบร้อยปีงกๆเงินอะไรเนี่ยโทษของรูปตกลงอาสาทะมันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นวัตถุแน่ครับทั้งวัตถุและอารมณ์เจนพรทั้งสิ่งที่เข้าไปยินดีทั้งสิ่งที่ ที่ถูกยินดีด้วยทั้งสองอย่างอันนี้ทําความเข้าใจดีนะตรงนี้นะอสาทะเป็นทั้งสองอย่างเจนิญพรคาว่าอสาท่นะเป็นได้ทั้งสองอย่างคือหมายถึงตัวความยินดีด้วยถึงสิ่งที่ถูกยินดีด้วยนะแบบกามนั่นแหละก็อันเดียวกันเน่ยเปลี่ยนถูกเปลี่่ออีกไแล้วก็กินเลสกามเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละอสาท่ของสิ่งนั้นๆั้นทีนี้ต่อไปนะเป็นทุกเมื่อกี้ยังไม่จบนี่ โทษแล้วใช่ไหมโทษก็คืออายุมากมานั่นแหละโทษจนถึงเจ็บป่วยล้มมอนนอนเสื่อมีคนคอยเช็ดคอยล้างอุจจาระปัสสาวะจนถึงกับตายตายแล้วก็เป็นซากศพ1ึงวันสองวันสามวันสี่วันจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดนั่นก็คือโทษแห่งรูปแล้วอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปทำยังไงไปฆ่านางสาวคนนั้นเลยใช่ไหมะจะได้พ้นไงจะได้สลัดออกใช่ใช่ไหม คำสอนผู้ใเจ้าใช่ไหมทํำยังไงอ่ะ<ม>การละฉันทราคะในรูปนะพระองค์เก็บอกว่าท่านจงตัดความเยื่อใเยเสถเธอพรามอย ง, งั้นก็คือสอนให้ละไอความยินดีความติดใจอันนั้นแหละไม่ได้ให้ไปทําอะไรกับดอกไม้หรอกดอกไม้เขาก็เป็นอย่างนั้นของเขานแหละแต่ว่าไอความติดใจพอใจในดอกไม้อ่ะนะถ้าผูดอีกลำนวนหนึ่งกันนะก็คือละฉันทราคะนั่นแหละเป็นนิสระน ะ, ะฉันทราคะจะละได้ด้วย ถ้าในรูปนะอ น, นาคามีมัตตละได้เด็ดขาดเลยนะ ท, ที่จะไม่ยินดีในรูปเลยก็คืออ น, นาคามีมัตตเอาเด็ดขาดนะถ้าไม่เด็ดขาดก็เจริญอสุภาษมากๆก็ก็พอได้ล้เจริญอสุภาษก็เป็นตะทางค้าวอาหารถ้าเจริญวิปัสสนาก็เป็นเจริญสมถะเป็นวิขังพันะเนาะเจริญวิปัสสนาเป็นตะทางคะธรมมั ก, ก็เป็นสมุทเฉทะ แว่ามร์นั้นต้องเป็นอนาคามิมร์ทีนี้รูปพิจารณารูปนั้นโดยความเป็นอนัตตาทใหมนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงภูตรูปและปารถายรูปนะในภูตรูปปารถายรูปนั้นต้องมีสมุดฐานเอาสมุดฐานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะจะได้เรื่องรู้เรื่องของปัจจัยนั้นรูปนั้นวิธีการพูดถึงรูปให้มองเห็นปัจจัยง่ายก็คือเรื่องของ สมุทฐานนั่นเองนั่นแหละไม่ใช้คำว่าปัจจัยแต่ใช้คำว่าสมุทฐานแทนนั่นแหละคือปัจจัยของรูปทีนี้ต่อไปว่าเมื่อรู้เรื่องของรูปพร้อมทั้งสมุทฐานและปัจจัยดีแล้วก็ยังจำเนกว่ารูปเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยากละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลรูปทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตานะ อันกว่าจะมาถึงคําว่าเป็นอนัตตานี่ก็แต่ท่านค่อยๆไล่ผมทักนิดนึง น, นงนะตั้งแต่รูปภายในนี่นะฮะก็ไม่สงสัยก็ในตัวนี้นะฮะเจนพานภายนอกก็ไม่สงสัยแต่ต้องมาอยู่ที่ตัวบุคคลนะอยู่ที่สัตว์ใช่ไหมครับรูปภายนอกอ่าก็ทั้งภายในทั้งทั้งสัตว์ด้วยทั้งไม่ใช่สัตว์ด้วยทั้งหมดเลยคือพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละก็ คือสักแต่ว่ารูปนะแต่ว่าภายนอกมันไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายก็คือถ้าเป็นอนินทริยะพัทรรูปคือรูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ใช่ไห ม, ย อ, มอย่างดอกไม้มีรูปอยู่แปดรูปเท่านั้นเองคืออวินิโผลคารูปแปดมันก็พิจารณาไม่ยากนะไม่มีรายละเอียดเกินไปนะแต่วัตถุประสงค์ของการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาที่ที่ขันห้าถูกไหมครับรูปภายนอกก็เป็นขันห้า ตอนนี้รูปรูปภายนอกเป็นขันห้ามันก็ว่าบุคคลอื่นสัตว์บุคคลอื่นเนี่ยเป็นขันห้าเป็นรูปภายนอกเนียถ้าเราจะกล่าวได้ไหมครับว่าดอกไม้นี้มีขันเดียวคือรูปประขันเรากล่าวได้ไหมครับได้เจนทรอนถ้าอย่างนั้นนี่นะฮะพระองค์ตัดว่าสัตว์ที่มีขันเดียวทําไมจึงต้องกล่าวว่าสัตว์ครับทำไมจึงไม่บอกว่าต้นต้นดอกไม้นี่มีขันเดียวก็บางอย่างก็เป็นนัยยะที่ที่รู้กันอยู่ คือเราก็เค่ ด, ดูนะว่าท่านก็กล่าวนะอย่างเช่นตัวอย่างในวิสุทธิมรรคท่านพิจารณาถึงเช่นดอกอโศกใบอโศกว่าอโศกใครใครรู้จักต้นอโศกนะนะมันตั้งแต่ออกปุ่มเลยตั้งแต่ออกปุ่มมาปุ๊บจนมาปุ่มนั้นจนมาออกเป็นเป็นยอดเล็กๆจากยอดก็ค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นท่านให้พิจารณาถึงอย่างนั้นด้วยเหมือนกันว่าในขณะที่เป็นปุ่มก็ไม่ถึงขณะที่เป็น เป็นใบเล็กๆจากใบเล็กๆก็ไม่ถึงใบ เ, เริ่มสีใบเชิ่มชัดเจนขึ้นใบแก่ขึ้นใบเหลืองใบร่วงหล่นนะแต่ละขั้นแต่ละขั้นก็ให้พิจารณาด้วยเหมือนกันคือไม่ถึงกับว่าให้อย่างเช่นในทั่วไปนะให้พิจารณาศพศพก็คือวินิโพเ ร, รูปเท่านั้นเองใช่ไหมอา่าที่เรียกว่าศพมีกี่รูปก็ดูมีกี่รูปอ่ะกระดูกคนตายเลยเนี่ยมีกี่รูป มีแปดรูปแต่พระองค์สอนให้พิจารณากระดูกนั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ให้พิจารณาทั้งภายในภายนอกไม่ใช่พิจารณาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวพิจารณาหมดนั่นแหละเพราะว่าการจะบรรลุมรรคผลได้นั้นไม่ใช่รู้อย่างเดียวตรงนีเน้เจอหลายแห่งมากแต่ว่าใครจะชัดเจนในอะไรมากที่สุดนั่นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าบางแห่งกล่าวว่าพิจารณาภายใน ขึ้นต้นด้วยการพิจารณาภายในบรรลุด้วยการพิจารณาภายนอกแต่ไม่ใช่ไม่พิจารณาภายในแต่พิจารณาทั้งหมดบางคนพิจารณาภายในแล้วบรรลุภายในหมายความว่าพิจารณารูปภายในเสร็จก็พิจารณาภายนอกด้วยนั่นแหละแต่มาบรรลุตอนที่พิจารณาภายใน น, นะมาติกาท่านตั้งไว้สิบกว่าอย่างนั่นแหละสลับกันไปสลับกันมาเยอะเลยภายในภายนอกแล้วต่อไปครับรูปเช่นหยาบละเอียดหยาบใช่ไหม หยาบเพรเช่นโอลาริกรูปโอลาริกรูปจากคูภาษาธาตุนี้หยาบโสตากภาษาละก็คุณนในตัวนี่แหละเช่ปะหยาบยามีนอกตัวไหมครับหยาบปัจหาพูดรูปไหมแล้วเขาว่าเสาอย่างนี้มีมีพิจารณาไหมครับถือว่าหยาบไหมครับถือว่ารูปหยาบก็พิจารณาด้วยแต่ว่าเอาเลยว่าในเสามพิจารณาไม่ยากนะใช่ไหมคือเสามันไม่มีรูปอะไรมากเลยมีแค่วินิโพครูปแปดเท่านั้นเอง มันคิดหน่อยเดียวมันก็หมดเวลาหมดเรื่องคิดแล้ว ก, ก็พิจารณาง่ายก็พิจารณาก่อนดีครับถ้าอย่างนั้ น, นแต่ก็ต้องทั้งภายในและภายนอกคือถ้าหากว่าโลภะไม่เกิดเพราะเสาก็ไม่เป็นไรหรอนะคือหมายความว่าเสาก็เป็นวัตถุที่ทําให้เกิดอาสาทะเจนทะถูกไหมเจน้าก็ทําให้เกิดอาสาทะเพราะฉะนั้นเสาจึงจําเป็นต้องพิจารณาด้วยพิจารณาด้วยว่าเป็นแค่ เอวิถีโพค ร, รูป8เจริญพรคือในในส่วนหนึ่งนะคือถ้าใช้คําว่านิโพค ร, รูปเพื่อให้ได้ในต่อไปอีกไม่ใช่โอ้นี่อวินิโพค ร, รูปไม่ใช่คิดแค่นั้นนะอานิโพค ร, รูปคือบางอย่างได้แก่ปัทวีใช่ไหมเมื่อเกี่ยวข้องบางทีเป็นปัทวีเตโชเป็นวาโย ο, เป็นสีเป็นกลิ่นเป็นโอชาก็มีอันแม้แต่อาหารที่เรารับประทานก็คื อ, อวินิโพค ร, รูปใช่ไหมแต่พระองค์ก็สอนให้พิจารณาอาวินิโพค ร, รูปด้วย และในสู่ทั่วไปนะกล่าวถึงเรื่องว่าเมื่อกามสำเร็จแก่บุคคลนั้นนะสำเร็จแก่บุคคลผู้ปรารถนาอยู่เขาย่อมเอิบอิ่มใจเป็นแน่นั่นแหละเพราะนั้นแสดงว่าก็สอนให้พิจารณาทั้งวัตถุ ก, กามและกิเลสกามตรงนั้นท่านบอกเลยว่ากิเลสกามสอนให้ละวัตถุกามให้กาหนดรู้หรือปริญญาสามนั่นแหละ แต่ว่าในชั้นรายละเอียดจริงๆแล้วรูปภายนอกมันไม่ไม่ติดใจมากนักหรอกใช่ไหมคือพิจารณาไม่ยากเนี่ยอย่างดอกไม้คิดไปพักเดียวมันก็หมดเรื่องคิดละแต่ภายในนี่อเรื่องยาวมากเลยทั้งหยาบละเอียดนะพวกสุขุมมรูปพวกนี้ก็เป็นรูปละเอียดเลวประณีตก็ในยะเดียวกันใกล้ไกลก็ในยะเดียวกัน แต่วิธีการกล่าวแบบละเอียดละเอียดนั้นซึ่งเวลากล่าวตรงนี้คงคงไม่ไ ม, ไม่ไม่พองะนั้นถ้ามีโอกาสเราได้กล่าวเรื่องรูปแบบพิสดารกันอนาคตตะการ